ทุกวันพระในสามเดือนเรายังขาดตกปกพ่องอันนี้ก็อยากจะให้เตือนย้ำสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะปีหนึ่งมีทั้ง365วันเราจะรักษาคุณงามความดีเพียงสิสองวันก็ยังให้ขาดตกปกพ่องไปได้อันนี้ก็น่าตาหนินะถ้าปราชญ์ทั้งหลายก็น่าตาหนิแต่ถ้าว่าตัวเองไม่ตาหนิตัเองจะให้คนอื่นตาหนิ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 ใครจะเป็นคนทำให้เราถ้าเราไม่ทำเองเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างคนอื่นทำให้ก็มีนะแต่ทบางสิ่งบางอย่างคนอื่นทำให้แทนเราไม่ไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะเพราะนั้นพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันสิ่งที่คนอื่นทำแทนไม่ได้มีตั้งเยอะแยะหลายใหญ่หลาย ห, า ย, หายอย่างนะเพราะนั้นขอให้พวกเราใฝ่ใจในการประพฤติธปฏิบัติธรรม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 พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพนคือด้านจิตใจคือด้านภาวนาหาความสุขเข้าสู่จิตใจหามักขาผลจากนั้นพระพุทองค์ก็ได้นำพระธรรมคำสอนมาประกาศเผยแผ่กับพวกเราท่านทั้งหลายจนได้สำเร็จพระอริยบุคคลพระสดาศสกทาคาพระอนาคาพะระหันการล้วนแล้วจะเป็นจิตภาวนาทั้งนั้นแต่ว่า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 วันนั้นวันนี้หลวงพ่อจะเน้นเรื่องจิตภาวนาในพรรษานี้พวกเราควรจะมีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจในการประพฤติปฏิบัติหือว่าการภาวนาของเราอย่างพระในครั้งพระพุทธเจ้าของเราในยกเป็นตัวอย่างเพ ن เพียงตัวอย่างเดียวอย่างพระจักกุบานท่านจำพรรษาพระภิกษุด้วยการไปอยู่ในป่าสามสิบโลกท่านก็บอกว่า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 แต่อยู่ในมุมสงบนะการนั่งสมาธิต้องอยู่น่มุมสงบมุมสงบก็คือเวลาเราอยู่ในบ้านของเราถ้ามีเสียงเด็กเขากาลังกินข้าวอะไรเราจะไปนั่งภาวนาในช่วงนั้นไม่ได้เพราะอะไรมันไม่สงบจิตใจเราปุงฟุ้งอยู่ต้องให้อยู่ในความสงบลูกหลานเขาพักรือว่าจุดวิทยุโทรทัศน์ปิดไปก่อนในช่วงนั้น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 ไข่ของเราอยู่แล้วเราจะไปนขนาดเป็นสัตร์ทร่ทะชานเป็นสัตว์นรกยังไปอาฆาตพยาบาทจองเวียนอยู่ในอลกในกรงอีกอย่างนั้นเชี่ยวเหลือมันไม่น่าจะถูกนะ เ, เราก็ให้อภัยทุกคนที่ผ่า น, า น, านมาแล้วก็คือผ่านไป เ, เราก็ไม่ถือโทษโทษกรธเคืองให้กับเข า, เ, าเขาจะมาถือโทษโทษกรธเคืองอันนั้นกุดแท้แต่ใจของเขา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 แต่ถ้ามันยังออกอยู่นะเราพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธให้ทีไม่ต้องกาหนดลมหายใจเขาสัมทับอยู่ที่ตัวผู้รู้ตัวนึกคิดนะให้อยู่จุดนั้นพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธอันนี้ก็คืออันหนึง่งแต่ลวงพ่อเคยแนะนำอันหนึ่งก็คือหายใจเข้าให้นับนับหนึ่งหายใจออกนับสองสามสี่ห้าถึงถึงร้อยถ้าไม่เผลอกลับมาอีกนับหนึ่งอีก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 ละเลยไม่ได้สนใจนะบาหมาป่าตอนนั้นมันจะกัดไปเรื่อยนะด่าไปเรื่อยไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกแล้วเผลอเผลอเป็นบ้าได้ง่ายอีกเหมือนกันน่ะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราท่นทั้งหลายนะให้สังเกตตัวนี้แต่บางคนก็บอกเวลานั่งภาวนาเนี่ยมันมันหลงไปได้ง่ายง่ายมันเผลอเอายังไงเอเพราะมันไม่มีสติหลวงพ่อถ้ามันพอนั่งภาวนาไปมันไปเห็นนิมิต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 วิปัสนึกวิปัสนนาการแยกส่วนแบ่งส่วนการให้ทันให้รู้ทันกิเลสภายในใจของเราเนี่ยลวงตาจะชัดเจนมากถ้าพวกเราได้ฟังได้ศึกษานะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะในพรรษานี่ยอยากจะให้พวกเราเร่งเ อ, อ่เรื่องทานเรื่องศีลก็อีกส่วนหนึ่งแนะเรื่องภาวนาเนี่ยหนะลวงพ่ออยากจะให้จุดนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดหลักจริง